เราจะยากจนก็ยังมีความสุขเราจะมีหลักฐานฐานะก็มีความสุขเราจะไม่มีหลักฐานฐานะอะไรก็มีความสุขเพราะจิตของเรามันอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นนะดังนั้นเองวิชาการต่างๆฝึกจนชา น, านาญแล้วเนี่ยมันก็ยังทุกอยู่เพราะมันลืมแต่วิชาการในการรู้สึกตัวเนี่ยยิ่งฝึกยิ่งจดจายิ่งตั้งมั่นยิ่งอบอุน่น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 อ, อลิแล้วนั้นแปลว่าคายึกใช่ไหมอลิลาศัตรูอลิเติมยากเข้าไปแล้วแปลว่าผู้ไปไกลจากคายศึกคายิึกของเราคืออะไรอิเลสตัวไหนว่างความโลภแต่แล้วเรารู้ว่าโลภุหลเป็นคายิึกแต่ทำไมเราไปวิ่งหาใส่คายิึกเน่มันมาเองหรือเราวิ่งหามัน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 เสียราวสวดทุกวันนะแต่เราก็ตีบทไม่แจกใช่ไหมฉะนั้นหมายความว่างไงแล้วก็สวดเป็นนกแง้ยวนกคุณทองอย่างนั้นแหละแต่ถ้ามาตีบทให้แจกเราโอูหน้าทํามากเลยใช่ไหม น, น, นั้นก็ในส่วนนี้แหละเราต้องเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> มีอะไรดีๆเยอะๆแต่เนื่องจากว่าเรายัางไม่ได้เข้าไปพิจารณาใครควรดังนั้นเวลาหนังสือเวลาสวดบทสวดเนี่ยมาพยายามแปลทุกบททุกตอนตรงไหน ท, ที่เราสวดนะ